เฉพาะตนโดยดังตริน 32 เป็นกรณีเฉพาะตนของกับดี้บรรลุธรรมอาชีพงานที่ค่อนข้างมั่น ตงกันที่ไม่ทําตาสังคมรอข้าหรือคําสัก 2, <ำ> 2> <ใน S 1> ฝ่ายตัวดิฉันเองไม่เคยรู้ เราต้องเป็นแฟนกับคนนี้แน่เลยซึ่งมารู้ที่หลังว่าเป็นแฟนกับคนนี้แน่เลยซึ่งมารู้เช่นให้ทาน ตลอดจนเป็นกําลังใจเกื้อกูลกันและ 8 ในวันพระอยากทราบว่าภายใต้ ถ้าตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาๆได้ว่ามีๆ1 คุณไม่ได้มี เกิดจากเกเก 2 ประการ <c oughs> 1 คือ 2 คือเกื้อกูลกันในปัจจุบันการปิ๊ง เข้าขั้นครบสูตรเหตุแห่งรักตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กรณี สรุปสั้นๆว่าฐานจิตของคุณไม่ 2 ฟังดูพวกคุณ คือคุณมีศีล 8 เป็นแรงฉุดให้ถอย 8 วันนั้นคุณมีองค์มรรคคือความดําริชอบที่ จะต้องได้แน่นะครับได้แน่นะครับเพราะการมีจิตที่ปกติและการดําริออกจาก กายใจเป็นแค่เครื่องล่อ 3 ปีหมายถึง คำถามที่ 2 การอยู่ด้วยกันของเรา 3 ของพวกเราบริสุทธิ์หรือไม่บางทีพวกเรา คือผู้ที่สังเกตธรรมชาติโดยไม่ถือเอาความเชื่อส่วน จากนั้นตามความรู้สึกไปว่านั้นตามความรู้สึกไปว่าทุกข์อยู่หรือ 1 คุณจะไปเห็นภาวะของจิตที่มีมี เห็นคุณจะพบความจริงในตนนั่นคือเที่ยงของภาวะทางกายใจไปหรือหากคุณตรึกนึก บาปทิ่มแทงใจภายหลังจากราคะสิ้นฤทธิ์ หากสำรวจใจตัวเองแล้วรู้สึกถึงความ 3 ของพวกคุณบริสุทธิ์อยู่อย่าง เธอเป็นผู้ยิงคนหนึ่งที่ยืนระหว่างสองทางสิ่งที่ใจเท่ากันกับความจะเป็นรอตัวต้องกลายเป็นชายกลังวันเป็นผู้ยิงกลังคืนอาจส่างกันไปหากแปลกันคนและอย่าง คนหรือเขาผิดอะไรรู้เฉพาะตน โดยดั่งตรินตอนที่ 33 พุทโธสู้พึ่งอาชีพเรียนปริญญาโทสาขา ศึกษาวิธีเจริญเรียกว่าเป็นคนมีโมหาสูงไหมด้วยตนเองจากหนังสือแต่ดิฉัน คือรู้สึกว่าพุทโธรกรุงรังเนี่ยจะเน้นไปใน เราจะมุ่งไปหรือรับรู้อะไรได้ไม่ชัดหรือเห็นผิดเป็นชอบที่จิตหดหู่ซึมโมหะครบกันทั่ว สำหรับก็ต้องบอกว่านี้ถ้าเอาตามที่เล่าฉะนั้นยามทําจน แต่ยามว่างจากงานหรือการเรียนจิตของคุณๆได้การ คุณหาทางระบายฝันด้วยวิธีพูดการพูดไปๆจะสายฟุ้งกระจายเข้าข่าย พกพาเล็กๆสักตัวตัวฉนิดที่พอรู้สึกตัวว่าอยากพูดระบายความฝันขึ้นมาขีดเขียนใส่ มีการเกริ่นนํามีใจความที่อ่านรู้เรื่องและมีจุดสรุปชัดเจนตรง ความคิดอ่านมีความเป็นตัวเป็น ผู้หญิงเลือกเรียนวิศวกรรมไม่น่าจะมีใครบังคับให้บุคลิก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 และเหมือนอ้าแขนยินดีต้อนรับคุณอยู่เสมอบริการพุทโธเอาไม่อยู่หรอครับและความคิดพุทโธก็ขัดแย้งๆในหัวก็คง ที่จะให้ใครบังคับว่าต้องเดินช้าๆบนทางตรงสั้นจน กายใจอยู่ในภาวะเมื่อลอยแล้วนะรู้แบบให้เห็นๆค่อยๆเปรียบเทียบจากจุดต่างๆผิด ดูให้เห็นว่าตอนเครียดหน่อยๆหรือตอน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 แล้วความฟุ้งซ่านจะลดจากมหาวิทยาลัยธรรมะ 51 <ไป S 1> เสียงอ่านโดยโจโฉ Institut Cartogràfic i Geològic de